หนึรวมเรื่องที่มีในวันอุโบสถขันธากาเรื่องปริภาโชคัญญาเดรธีเรื่องพระเจ้าพิมพิสารจอมธรรมคุรัตเรื่องภิกษุประชุมนั่งนิ่งเรื่องทรงอนุญาตให้กล่าวธรรมในวันประชุมเรื่องพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเกร้นอยู่ในที่สงัดเรื่องยกพระปฏิโมกขึ้นแสดงทุกวันเรื่องทรงอนุญาตให้ยกพระปฏิโมกขึ้นแสดงปักละครั้งเรื่องพระชัพคียก พระปฏิโมกขึ้นแสดงในบริษัทเท่าที่มีเรื่องทรงอนุญาตให้ยกพระปฏิโมกขึ้นแสดงแก่ภิกษุผู้พร้อมเพียงกันเรื่องทรงอนุญาตความพร้อมเพียงกำหนดเขตอาวาสเดียวเรื่องมัทกุจฉิมฤคทายวันเรื่องทรงอนุญาตให้สมมุติสีมาและนิมิตสีมาเรื่องส ม, มุติสีมาใหญ่เกินขนาดเรื่องส ม, มุตินาทีปารสีมา เรื่องยกพระปฏิโมกขึ้นแสดงตามบริเวณวิหารเรื่องสมมุติโรงอุโบสถสองแห่งในอาวาสเดียวกันเรื่องสมมุติโรงอุโบสถเล็กเกินไปเรื่องภิกษุผู้นวกะลงประชมก่อนเรื่องกรุงราชคฤื้เรื่องสมมุติแดนไม่อยู่ประศจากไกลจีวรเรื่องสมุติสมานสังวาสสีมาก่อนเรื่องถอนสมานสังวาสสีมาภายหลังเรื่องคาเมสีมาที่ไม่ได้สมมุติเรื่องอุททะ กุกเคป ส, สีมาในแม่น้ำเรื่องอุทักกุกเขปสีมาในสมุทรเรื่องอุทธก ก, ก, นนออทธกุกเขปสีมาในชาติสะเรื่องสีมาสังกระกันเรื่องสมุดสีมาทับสีมาเรื่องประเภทแห่งวันอโุโบสถเรื่องประเภทการทำบุโบสถเรื่องประเภทแห่งปาติโมกขุดเทศเรื่องทรงอนุญาตให้ยกพระปาติโมกขึ้นแสดงโดยย่อ เมื่อชาวป่ามาพุกพ่านเรื่องอันตรายสิประการเรื่องทรงอนุญาตให้ภิกษุผู้เทระแสดงธรรมโดยไม่ต้องได้รับอาราธนาเรื่องถามพระวินัยท่ามกลางทรง์ด้วยได้รับสมมุติก่อนเรื่องคุกคามจะฆ่าเรื่องพระชจ้พักีวิศชนาพระวินัยเรื่องโจดด้วยอาบัตเรื่องขอโอกาสก่อนโจดเรื่องทรงอนุญาตให้คัดค้านกรรมที่ไม่ชอบธรรมเรื่องภิกษุสถึงหรูปแสดงความเห็นแย้ง เรื่องแกล้งยกพระปฏิโมกขึ้นแสดงไม่ให้ได้ยินเรื่องพยายามยกพระปฏิโมกขึ้นแสดงเรื่องยกปฏิโมกขึ้นแสดงในบริษัทที่มีเครื่องหัดเรื่องยกพระปฏิโมกขึ้นแสดงโดยไม่ได้รับอาราธนาเรื่องภิกษุชาวเมืองโจทนาวัตถุไม่รู้จักอุโบสถเรื่องภิกษุมากรูปไม่รู้จักอุโบสถเรื่องส่งภิกษุไปเรียน <was S 2> พระปฏิโมกยังอาวาตใกล้เคียงพอจะกลับมาทันในวันนั้น เรื่องภิกษุผู้นวกบไม่ยอมไปเรียนพระปะติโมกข์เรื่องวิธีการนับปักเรื่องทรงอนุ ญ, ญาตให้นับภิกษุในวันอุโบสถเรื่องไปบิณฑบาตยังบ้านไกลนึกไม่ได้เรื่องอุปกรณ์และอุปกิจในโรงอุโบสถเรื่องปูวสนะและตามประทีปเป็นต้นเรื่องภิกษุจะไปไหนต้องบอกลาก่อนเรื่องควรทรงเคราะห์ภิกษุผู้เป็นพระหูสูตร เรื่องส่งภิกษุไปเรียนพระปฏิโมกย่างอาวาตใกล้เคียงพอจะกลับมาทันในวันนั้นเรื่องเข้าบรรษาแนอว่าที่มีภิกษุพอจะยกพระปฏิโมกขึ้นแสดงได้เรื่องการทําอุโบสถเรื่องม่อปาริสิทธิเรื่องทํากรรมที่จะต้องทําเรื่องพวกญาติเรื่องภิกษุคักฆะเรื่องภิกษุสี่รูปสรูปสองรูปและหนึ่งรูปทําอบูสดสามอย่างตามลําดับเรื่องแสดงอาบัติก่อนทําอุโบสถ เรื่องแสดงสภาคาบัดเรื่องระลึกอาบัตได้เมื่อยกพระปฏิโมกข์ขึ้นแสดงเรื่องสงฆ์ทั้งหมดต้องสภาคาบัดและไม่แน่ใจเรื่องไม่รู้ชื่อและโคตอาบัตเรื่องภิกษุพระโหสูตรเรื่องภิกษุมามากกว่ามาเท่ากันและมาน้อยกว่าเรื่องบริษัทยังไม่ทันลุกขึ้นเรื่องบริษัทลุกขึ้นบางส่วนเรื่องบริษัทลุกขึ้นทั้งหมดเรื่องภิกษุรู้อยู่ว่า มีพวกภิกษุที่อยู่ในอาวาดที่ยังไม่มาเรื่องภิกษุไม่แน่ใจว่าควรทำาอโบสดหรือไม่เรื่องภิกษุกังวลใจทำโอโบสตเรื่องภิกษุที่อยู่ในอาวาดรู้เห็นได้ยินว่ายังมีภิกษุที่อยู่ในอาวาตรผู้อื่นอยู่เรื่องภิกษุอาคันตุกะกับภิกษุที่อยู่ในอาดนับวันโอโบสต่างกันเรื่องอาการของภิกษุที่อยู่ในอาวัเป็นต้นเรื่องภิกษุอาคันตุกะเข้าใจว่า ภิกษุที่อยู่ในวาดมีสังวาสต่างกันเรื่องปริวาสิกะปาริสิทธิเรื่องทําอุโบสถในวันไม่ใช่วันอุโบสถยกเว้นแต่เป็นวันที่สงสามคัคคีหัวข้อที่จําแนกเหล่านี้เป็นหัวข้อที่บอกเรื่องอุโบสถคันธ ก, กะจบ